ทำให้เราเข้าไปสำคัญมันหมายรับรู้ไวพวกเซนซิทีฟคือพวกที่อ่อนไหวหรืออ่อนแออะไรกระทบนิดกรูทบหน่อยก็จะเป็นหนักกว่าเพื่อนลึกกว่าเพื่อนอน่เราว่าถ้าหากว่าเราได้ฝึกเฝ้าดูเป็นประจำคนที่อ่อนไหวอ่อนแอก็สามารถเข้มแข่งได้ด้วยการเข้าไปตามรู้บ่อยๆตามรู้จะจะรอยสายอ่นะ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 เพื่อนมาเดี๋ยวมาแรงมาสาละพัทวันวันแล้ววุ่นวายอยู่กับตัวเองหลายเรื่องวันวันอันนั้นอันนี้อันนันไปเรื่อยๆสังเกตให้ดีนะตั้งกายนี่มันช่างบอบบางนะอะไรนิดเลยหน่อยเราก็จะนั่นก็ดิวุ่นทั้งวันเนี่ยเราก็คือวุ่นกับกายตัวเองนะี่แแต่ถ้าเราดูเฉยๆบ้างอนะดูเฉยๆบ้างไม่ต้องไปวุ่นกับมันเอาที่ว่ามันเอาเท่มันทนได้อะ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 ให้ได้และสิ่งที่ใหญ่ๆ่ไปก็ก็ไม่ยากนะอั น, นั้นก็ขอให้เราได้ช่วยกันในเวลาปฏิบัติโดยเฉพาะในที่เนี่ยมันเป็นที่สงัดวิเวกไม่มีเสียงอะไรมารุกคนตึงตังเสียงใกล้เสียงไกลก็ไม่ค่อยมีนอกจากเสียงลิงเลไลแม้แต่เสียงนกก็ไม่ค่อยได้ยินในที่นีเนาะนี่นเนา ะ, ะ, ะนยยเริ่มมาเห็งนก <laughs> เรื่งน ก, เ ร, งนกเรื่งไก่ป่าจะเริ่มมา